บทที่13การใช้เวลาล่วงไปในโลกทิพย์เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าวิญญาณที่เข้าถึงสุขติภูมิในโลกทิพย์ใช้เวลาเป็นในการทำอะไรบ้างนั้นมีข้อความที่น่าสนใจอยู่ตอนหนึ่งซึ่งมิสเตอร์เอพีซินเนตผู้ที่มีชื่อเสียงในทางนี้ได้เขียนไว้อย่างน่าฟังข้าพเจ้าขอคัดมาเป็นบางตอนดังต่อไปนี้ ผู้อ่านบางท่านอาจจะยอมรับว่าสภาวะในโลกมนุษย์นี้ย่อมเต็มไปด้วยความทุกข์และความผิดหวังนานาประการความทุกข์ของชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนและต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายนี้สามารถจะทำให้ผู้ที่อยู่ในสุขติภูมิบางประเภทที่ยังวางอุเบกขาไม่ได้ต้องใจฝ่อห่อเหี่ยวไปได้เหมือนกันเมื่อได้มองย้อนหลังมาเห็นสภาวะที่เปรียบเสมือนนรกเช่นนี้เข้า แต่แม้จะยอมรับเช่นนั้นแล้วบางท่านที่เป็นคนช่างคิดก็อาจจะยังสงสัยว่าความสุขในสวรรค์จะเป็นความสุขตลอดไปได้อย่างไรในเมื่อต้องจมอยู่กับสภาวะที่ซ้ำๆซากๆากหรือจำเจอยู่กับความสุขสมหวังหรือการงานอย่างเดียวตลอดเวลาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดเลยชีวิตที่อยู่ในสภาวะเช่นนั้นนานๆเข้าก็น่านจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนายซีมากกว่า เราไม่มีความเปลี่ยนแปลนที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบและทำให้เกิดรสชาติเข้มข้นขึ้นบ้างเลยข้อสงสัยหรือข้อคัดค้านดังกล่าวนี้เกิดจากการวาดภาพหรือคิดคานึงเอาเองตามความเคยชินและมาตรฐานเห็นความรู้ดั้งเดิมกล่าวอีกในแง่หนึ่งก็คือเป็นการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่ตนเคยชินมาโดยไม่ได้วิเคราะห์ให้ละเอียดลงไปถึงแกนเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลัง ทุกคนคงจะเคยได้รับความปีติปราโมทย์อย่างเต็มที่หรือสมใจรักมาบ้างครั้งหนึ่งหรือสองครั้งในชีวิตระยะเวลาแห่งความสุขนั้นส่วนมากก็เป็นระยะเวลาอันสัน้นเช่นอาจจะเป็นหนึ่งนาทีหรือช่วขณะหนึ่งซึ่งนานกว่านั้นเล็กน้อยหรือบางคราวก็อาจจะเป็นเครื่องชั่วโมงก็ได้ในระยะเวลาขนาดนี้หากไม่มีผู้ใดที่จะคิดว่าจะเป็นการซ้ำซากหรือจำเจซึ่งจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายแต่อย่างใด แต่สมมุติว่าระยะเวลาเช่นนั้นได้ยืดยาวออกไปเป็นวันหรือเดือนหรือปีก็เกิดมีการแปลงกันว่าสภาวะเช่นนั้นน่าจะกลายเป็นความน่าเบือ่อซีมากกว่ากล่าวได้ว่าความหวาดเกรงในเรื่องนี้เกิดจากการคิดเปรียบเทียบกันมากเกินไปเคยคิดว่าความสุขจะต้องมีความทุกข์คอยขัดจังหวะอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวจึงจะเป็นความสุขได้เข้าทานองว่า สีขาวจะแลดูสะอาดตายิ่งขึ้นแต่ได้มีสีดําอยู่ด้วยเพื่อตัดกันทําให้แลเห็นเด่นขึ้นอันที่จริงมีหลักอยู่ว่าสภาพที่เป็นความสุขนั้นโดยในยะหนึ่งก็คือสภาพของจิตใจที่ไม่ได้ถูกรบกวนจากเครื่องเร้าภายนอกดังนั้นจึงไม่ได้คํานึงถึงการล่วงไปของเวลานั่นเองตราบใดที่สภาวะเช่นนี้ยังดํารงอยู่ตราบนั้น ความเบื่อหรือระอาจะไม่บังเกิดขึ้นเลยไม่ว่าระยะเวลาที่ผ่านไปจะเป็นจํานวนนับด้วยนาทีหรือชั่วโมงหรือวันอาจจะยิ่งกว่านั้นคือเป็นเดือนเป็นปีก็ตามดังนั้นการที่วิญญาณสามารถจะสวยสุขอยู่ในสุขติภูมิเป็นเวลานา น, านๆจึงย่อมเป็นไปได้โดยที่จะไม่มีความเบื่อหน่ายหรือระอ า, าเกิดขึ้นเลยและโดยที่ไม่จําต้องหาความทุกข์มาเป็นเครื่องช่วยทําให้เกิดการเปรียบเทียบหรือเกิดความเข้มข้นขึนข้นเลย อย่างไรก็ตามสภาวะของความสุขแม้ในสุคติภูมิของโลกทิพย์ก็ยังมิใช่ว่าจะเป็นไปเช่นนั้นตลอดอนันตการเพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดความสุขเช่นนั้นยังเป็นโลกิยาธรรมอยู่และดังนั้นจึงต้องมีสิ้นสุดลงได้ในวันหนึ่งเหมือนกันและเมื่อสาเหตุเห็นความสุขคือกาลังบุญหมดลงแล้วตัวความสุขซึ่งเป็นผลของบุญก็จะต้องสิ้นสุดลงด้วยเหมือนกัน แม้ว่าระยะเวลาที่สวยสุขนั้นจะเป็นเวลานานเพียงไรก็ตามในเมื่อเทียบกับอายุไขของมนุษย์โลกบางสมัยมากไปด้วยคนใจบอดไม่เห็นคุณค่าของความดียังมีข้อความอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน เป็นข้อความที่มิสเตอร์เอพีซินเนตได้อ้างมาจากผู้ที่เชื่อถือได้ในเรื่องนี้อีกท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ความโน้มเอียงในทางศิลธรรมหรือทางวิญญาณจะต้องหาที่ที่จะแสดงออกจนได้เสมอและภูมิชั้นสูงของโลกทิพย์ภูมิหนึ่งที่เรียกว่าเทวจั์เป็นภูมิสำหรับเป็นที่แสดงออกซึ่งความโน้มเอียงดังกล่าวนี้ซึ่งในที่นี้ น่าจะเทียบได้กับสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะกล่าวกันว่าชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่มีใจชอบอุทิศชีวิตช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศิลธรรมและศาสนาทั้งปวงจึงมีการแสดงออกแล ะ, จะเจริญขึ้นในภูมิดังกล่าวนี้และนอกจากนั้นผลของการกระทาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทางศาสนาและศิลธรรม ที่บุคคลได้สั่งสมอบรมเป็นบารมีของตนไว้ในโลกมนุษย์นั้นก็ทําให้บุคคลมาได้รับผลนั้นชื่นใจและก่อให้เกิดความปีติปราโมทเป็นอย่างยิ่งในภูมินี้เหมือนกันผู้อยู่ในภูมินี้จึงรู้เห็นและเข้าใจถึงระดับแห่งความเจริญก้าวหน้าในทางวิญญาณของตนอย่างแจ่มชัดเมื่อถึงคราวสิ้นกรรมที่จะให้ดํารงอยู่ในภูมินี้วิญญาณก็จะเลื่อนไปถือกําเนิดในที่อื่นตามสมควรแก่กรรม ซึ่งอาจจะเป็นการกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ใหม่อีกหรืออาจจะเป็นการเลื่อนไปสู่ภูมิอื่นของโลกทิพย์ก็ได้สุดลัต่กรรมส่วนตัวของวิญญาณ น, นั้นๆและด้วยเหตุดังกล่าวมา น, นี้เองจึงเห็นได้ว่าในสุคติภูมิเช่นนี้ก็ไม่ได้มีสภาวะที่ซ้ำซากจนจำเจน่าเบือ่อเหมือนดังที่เราคิดฝันกันเลยแต่ทว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสมควรแก่กรรมของแต่ละคน ชีวิตความเป็นอยู่ในภูมิเทวจัลแม้ว่าจะยังเป็นสภาพของความฝันเรายังไม่ใช่ภูมิสูงสุดคือโลกุตระของความเชื่อทางฝ่ายนี้ก็ตามแต่ก็เป็นภูมิแห่งการเก็บเกี่ยวผลของวิญญาณที่ได้ประกอบกรรมดีหรือว่าได้บำเพ็ญบา ร, รมีไว้ในโลกมนุษย์ซึ่งบางครั้งการหว่านพืชแห่งความดีไว้ในโลกมนุษย์นั้นบุคคลไม่สามารถจะวังให้พืชนั้นผลิตผลในโลกมนุษย์ได้เสมอไปเพราะโลกมนุษย์ในบางกาลและสมัย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 การอุบัติในภูมิเทวจั์จะเป็นเสมือนบัวที่บานออกรับแสงอาทิตย์ในยามเช้าหรือเสมือนพืชที่ได้อากาศที่เหมาะสมและดินที่ดียอมสามารถผลิดอกออกผลให้เชยชมอย่างน่าชื่นใจและสมใจถ้ามนุษย์จะพึงได้เสวยรสแห่งความสุขอันเกิดจากประสบการณ์ที่ให้เกิดความสุขสดชื่นสมใจเช่นนี้แล้วก็จะรู้สึกเบื่อและระอาด้วยเหตุใด ดนตรีชีวิตในสภาวะเช่นนี้แม้ดูเหมือนว่าจะประกอบด้วยโน้ตตัวเดียวคือโน้ตแห่งความปิติปราโมทแต่ก็เป็นตัวโน้ตใหญ่ซึ่งอาจแจกลูกออกไปเป็นตัวโน้ตย่อยๆทั้งเต็มเสียงและครึ่งเสียงอีกมากมายสุดจะข้นหน า, นาทั้งหมดนั้นปรากฏเป็นเสียงประสาล้อรับกันและกันไปตามกระบวนการเพลงแห่งชีวิตอันสดชื่นเป็นเสมือนคลื่นแห่งความสุขสราญ ที่ชายเงาออกมาจากห้วงลึกของดวงจิตที่สถิตยอยู่ในภูมินั้นๆโดยทั่วกันความหวังความฝันและอุดมคติต่างๆที่ถูกขัดขวางไม่ให้เกิดผลสำเร็จในโลกมนุษย์และความไม่เข้าใจกันหรือความเข้าไม่ถึงคุณธรรมของกันและกันจะมาบรรลุผลในภูมินี้และสภาวะภายนอกก็จะเป็นเครื่องบง่งบอก ถึงสภาวะภายในของวิ ญ, ญาณของแต่ละคนอย่างถ่องแท้ผู้ที่เข้าถึงภูมินี้แล้วยอมจะเกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าสิ่งใดเป็นสาระและสิ่งใดไม่มีสาระไม่ควรยึดถือทั้งนี้ด้วยอำนาจแห่งสายตาคือปัญญาที่มองได้ไกลเหนือขอบเขตของตาธรรมดาของบุคคลทั่วไปโดยมาก ข้อความที่ได้ขัดมาข้างตน้นยังมีกล่าวไว้ต่อไปอีกดังนี้บุคคลที่ไม่สามารถเข้าใจความจริงดังกล่าวมาแล้วนั่นได้ก็เพราะเขายังไม่สามารถมองทะลุเครื่องหุ้มห่อคือวัตถุออกไปได้นั่นเองภูมิแห่งเทวจันทร์ซึ่งในที่นี้คือคำเรียกสวรรค์ของศาสนาฝ่ายนี้ที่อาจเทียบได้กับชั้นดุสิตของชาวพุทธนะครับ ภูมิแห่งเทวจันทร์เป็นภูมิที่อยู่นอกเหนือหรือเหนือสภาวะที่เป็นวัตถุคือเป็นภูมิที่อยู่ระหว่างสภาวะที่เราเรียกว่าสัจธรรมและภูมิที่เป็นเงาฉายออกมาของสัจธรรมนั้นการที่จะนำเอาหลักการอย่างเดียวมาประยุกต์เข้ากับสภาวะที่คานกันสองประการจึงย่อมทำไม่ได้วิญญาณในระดับสูงสุดหรือสปิริชวโส ไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยสารวัตถุใดๆและไม่ถูกจํากัดอยู่ด้วยสภาวะใดๆไม่ว่าวิญญาณในระดับสูงสุดนั้นจะอยู่ภายในกายเนื้อหรือนอกกายเนื้อที่จะต้องตายนี้ก็ตามก็ย่อมเป็นอิสระจากเครื่องขัดข้องหรือเครื่องจํากัดทุกประการเสมอสําหรับบุคคลที่มุ่งมั่นในการทําความดีซึ่งรวมถึงความดีเพื่อผู้อื่นด้วยเขาย่อมคิดถึงสวรรค์ ว่าเป็นภูมิที่เขาสามารถแก้ปัญหาของชีวิตในโลกนี้ได้เราเป็นสถานที่ที่เขาจะได้มีโอกาสที่ดำเนินงานคล้อยตามความปรารถนาของสมองและหัวใจได้โดยไม่มีอุปสรรคภายนอกแต่อย่างใดและเป็นที่ที่ความฝันและอุดมคติของเขาจะแสดงออกมาให้เห็นเป็นความจริงได้โดยไม่ต้องถูกกดทับอยู่เหมือนในโลกมนุษย์ สวรรค์แบบนี้ย่อมจะให้ความสุขแก่เขาได้มากกว่าสถานที่ที่ไม่ต้องทำอะไรเลยหรือว่าทำอะไรตามความปรารถนาและความถนัดอันเป็นการตอบสนองอัจฉริยภาพของตนไม่ได้เลยคือว่าในสถานที่สวรรค์เช่นนี้จะไม่มีการทำอะไรกันเลยนอกจากพนมมือสวดมนต์กันไปตลอดกาลอันที่จริงสัญชาตญาณการสร้างสรรย่อมเป็นหัวใจของธรรมชาติ เป็นเครื่องทําให้ชีวิตเป็นชีวิตสืบต่อกันไปได้โดยไม่มีวันหยุดหรือถอยหลังในกระบวนการแห่งวิวัฒนาการอันยาวนานของชีวิตของเราทั้งหลายทั้งปวงแต่ก็น่าเสียดายที่มนุษย์ส่วนมากไม่ยอมเข้าใจความจริงเช่นนี้ขายังเกาะแน่นอยู่กับวัตถุที่หยาบเสจนดวงตาคือปัญญามืดมิดและก็คิดอยู่แต่เพียงว่าในโลกมนุษย์เท่านั้นเป็นความจริง ส่วนโลกที่ต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เหมือนภาพมายาเป็นเงาๆ เ, เหมือนพยับแดดหรือความฝันเท่านั้นทั้งๆที่เมื่อมองจากภูมิสูงแล้วไม่มีภูมิไหนๆเลยที่จะมีความไม่แน่นอนไม่มีแก่นสารและเป็นมายาหลอกลวงเป็นเงาวูบวาบเหมือนกับโลกมนุษย์ทั้งๆที่ไม่มีความเที่ยงถาวรในโลกมนุษย์แต่จิตของมนุษยไ์ไหวตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงอันเป็นสภาวะของวัตถุ ดังนั้นเมื่อใจพยายามมองดูสภาวะอันแท้จริงของวัตถุที่ไรความจริงของวัตถุนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวเป็นอื่นไปเสียแล้วจึงเป็นอันว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกันอยู่นั่นเองเข้าทำนองการเพ่งดูกระแสน้ำไหลหรือเปเลวไฟส่วนหนึ่งหนึ่งของน้ำและของเปเลวไฟเคลื่อนที่หรือไหวตัวระเล็กอยู่เสมอสายตาเราจับไม่ทัน ดังนั้นเมื่อเราคิดว่าเราเพ่งดูสายน้ำและเปเลวไฟอยู่ในที่เดิมแต่ความจริงส่วนนั้นๆของสายน้ำได้เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งอื่นหรือไม่ไฟนั้นก็ดับไปเสียแล้วที่เราเห็นอยู่ในขณะที่สองหรือขณะต่อๆมานั้นไม่ใช่ส่วนเดิมแต่เป็นส่วนใหม่ที่ไล่หลังมาของกระแสน้ำหรือของเปเลวไฟต่างหาก อีกนายยะหนึ่งเราอาจเทียบได้กับการที่เราแกว่งทูบที่ติดไฟไว้เร็วๆหรือดูภาพในฟิล์มที่ถูกฉายแสงมาบนจอซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในกรณีเช่นนี้สายตาเรากวาดตามไม่ทันดังนั้นแม้เราจะดูอยู่ที่เดิมแต่เราก็ไม่ได้เห็นของเดิมเพราะการทูบหมุนไปเรื่อยๆและภายในฟิล์มแต่ละภาพก็เคลื่อนที่ไปเรื่อย ผลก็คือเราถูกบังไม่เห็นวิปริณธรรมหรือความเปลี่ยนแปลงแต่คิดไปว่ามันอยู่กับที่มีความจริงในตัวเองมีของมีแก่นสารเป็นต้นดังนั้นโลกของใจและโลกของวิญญาณในระดับสูงสุดจึงเป็นโลกที่มีความจริงยิ่งกว่าโลกวัตถุมากมายนักเมื่อมองกันในแง่ของวิญญาณสูงสุด คือเรียกว่ามองกันแบบปรมาทนัยแล้ว mm. ก็อาจากล่าวได้ว่าไม่มีอะไรจะเป็นของจริงยิ่งไปกว่าวิญญาณสูงสุดเลยวิญญาณสูงสุดในที่นี้ท่านใช้คำภาษาอังกฤษว่า spirit ส่วนวัตถุกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนคือเกิดดับเร็วและเป็นของจอมปลอมและหลอกลวงยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด จึงมีหลักอยู่ว่าเรายิ่งก้าวขึ้นสู่ภูมิสูงกว่าวัตถุขึ้นไปมากเพียงไรประสบการณ์ของเราในภูมิเหล่านั้นก็จะยิ่งปรากฏเป็นความจริงมากขึ้นเพียงนั้นดังนั้นประสบการณ์ของท่านผู้อยู่ในโลกทิพย์สูงๆจึงปรากฏเป็นของจริงยิ่งกว่าประสบการณ์ของมนุษย์ผู้อยู่ในโลกวัตถุอย่างเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียวถ้าจะกล่าวในแง่ของธรรมชาติ เราก็อาจจะพูดได้อีกสำนวนหนึ่งว่าธรรมชาติให้ความเป็นจริงแก่ผู้อยู่ในภูมิทิพย์อันสูงมากกว่าที่ได้ให้แก่มนุษย์ในโลกวัตถุที่หยาบข้าพเจ้าเห็นใจว่าเรื่องเช่นนี้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับหลักความจริงประเภทนี้ย่อมฟังเข้าใจยากอย่างยิ่งแต่นั่นแหละเมื่อวิญญาณได้ก้าวขึ้นสู่สภาวะอันพระนิยยิ่งขึ้นก็จะทราบได้เอง มีนักวัตถุนิยมบางคนกล่าวหาว่าประสบการณ์ของวิญญาณในสวรรค์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการเล่นสำนวนใช้สำนวนโวหารสร้างของไม่จริงขึ้นมาให้แลดูคล้ายเป็นของจริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าใกล้ขอให้คิดไว้ประการหนึ่งว่างานที่สำคัญสำคัญของโลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในด้านการประดิษฐ์หรืออย่างอื่นก็ตามที่เราเห็นสำเร็จรูปออกมาภายนอกนั้นล้วนแต่มีต้นเขามาจากความคิดคำนึงของบุคคลผู้นั้น ก่อนที่จะทำงานนั้นและก่อนที่งานนั้นๆจะปรากฏเป็นรูปร่างออกมาให้เห็นทั้งสิ้นรูปร่างของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆก็ดีเขาโครงของการดาเนินงานตามแผนการต่างๆก็ดีจะต้องปรากฏขึ้นในจิตของบุคคลเหล่านั้นเสียก่อนกล่าวสั้นๆก็คืองานทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านใดละใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ตามจะต้องถูกสร้างและประดิษฐ์ขึ้นในห้วงนึก นึกจนเป็นรูปร่างที่แน่นอนเสียก่อนและจึงจะปรากฏออกมาในรูปวัตถุเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นประจักษ์ภายนอกเมื่อกล่าวด้วยในยะนี้ผลของงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในภูมิแห่งวัตถุนั้นก็คือภาพงานฉายของความคิดหรือความจริงที่ปรากฏอยู่ภายในมาก่อนแล้วนั่นเองและดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าสภาวะแบบไหนกันแน่ที่เป็นความจริง และเป็นที่อาศัยให้อีกอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาได้คือว่าเป็นผู้สร้างสรรที่แท้จริงดังนั้นความเป็นอยู่ในภูมิแห่งโลกทิพย์ในชั้นสูงซึ่งเป็นที่ที่วิญญาณใช้เวลาในการสร้างสรงสรสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจึงไม่ใช่เป็นเพียงสักแต่ว่าความฝันดังที่นักวัตถุนิยมกล่าวหาด้วยความเขลาและการติดในวัตถุอย่างเหนียวแน่นของเขาเองเลย เพราะถ้าเป็นสากแต่ว่าความฝันในความหมายของนักวัตุนิยมแล้วจะเป็นที่ผลิตงานและวัตถุอื่นๆออกมาให้เห็นจริงเห็นจังแก่คนทั่วไปได้อย่างไรคือว่ามันจะต้องเป็นความฝันหรือเป็นเงาๆและเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้นเองนี่คือกล่าวถึงความฝันในแง่ของนักวัตุนิยมนั่นเองไม่ใช่กล่าวถึงความฝันในแง่ปรมาทนัย ซึ่งตามในยานี้ก็อาจกล่าวได้ว่าทั้งโลกมนุษย์และโลกทิพย์ก็เป็นความฝันด้วยกันทั้งนั้นในฐานะที่ยังเป็นโลกยิยาธรรมด้วยกันคือว่าโลกมนุษย์ก็ไม่ได้มีความจริงมากไปกว่าโลกทิพย์เลยตรงกันข้ามกลับจะมีส่วนแห่งความจริงน้อยกว่าโลกทิพย์เสียด้วยซ้ำดังนั้นเรื่องนี้จึงพอวางหลักได้ว่าเมื่อวิญญาณมีประสบการณ์สูงขึ้นไปในภูมิทิพย์เพียงไร ก็ยิ่งใกล้ความจริงมากขึ้นเพียงนั้นและในทางตรงกันข้ามวิญญาณมีประสบการณ์ต่ำหรือใกล้วัตถุลงมาเพียงไรก็ยิ่งเป็นสภาพไกลตัวความจริงมากขึ้นเพียงนั้นมีคํากล่าวที่น่าฟังว่าคนที่เล่นกับดินจนตัวเปื่อนเปลอ ะ, ะเลอะเทอะดินไปหมดนั้นก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดว่าจะดีไปกว่าดินได้ มาเหตุผู้อ่านสำหรับหนังสือเล่มนี้ต้องเข้าใจไว้เสมอนะครับว่าท่านเป็นคนศาสนาอื่นการใช้คำบางคำอาจไม่ตรงกับหลักของพุทธทั้งคำว่าวิญญาณหรือชื่อของสวรรค์ก็ตามจึงต้องขอให้เข้าใจให้ตรงว่าท่านหมายถึงอะไรแล้วเก็บเอาแต่สาระสำคัญที่จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะที่เด่นของเรื่องนี้ก็คือความข้าใจในกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นหลักสากลที่ให้ผลตามกรรมที่แต่ละคนได้ทานะครับ ในเรื่องของวิญญาณสูงสุดนั้นหรือในบางเรื่องก็ต้องเข้าใจเสมอว่านั่นเป็นความเชื่อของท่านเจ้าของเรื่องที่เป็นคนศาสนาอื่นผู้ศึกษาต้องเข้าใจหลักนี้ให้ตรงด้วยว่าแม้วิญญาณสูงสุดที่ท่านกล่าวถึงนั้นก็ยังอยู่ในกฎตรลักษ์และเป็นอนัตตาไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรซึ่งผู้เข้าถึงความจริงนี้ได้จึงจะบรรลุธรรมได้จริงไม่อย่างนั้นแม้จะทาความดีจนจิตปราณีสูงสุดแค่ไหนก็ตาม ก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปหลักนี้สําคัญมากนะครับผู้ที่ไม่เข้าใจไตรลักษณ์ไม่เข้าใจสภาวะนิพพานได้จริงจะยังคงเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อไปแม้จะรู้เห็นเรื่องโลกหลังความตายประจักษ์ด้วยตนเองจากการได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ตามและยังคงเชื่อแบบนั้นต่อไปจนกว่าจะได้ศึกษาและเปลี่ยนความเชื่อนั้นได้จริงซึ่งการจะเปลี่ยนความเชื่อนั้นได้ง่ายที่สุดก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับการศึกษาหนังสือเรื่องนี้ต้องเข้าใจความต่างในด้านนี้ด้วยไม่เช่นนั้นอาจจะลงผิดไปยึดถือวิญญาณสูงสุดเป็นอัตตาได้นะครับ